อตอนนี้ไปพากันตั้งใจพิจารณาตามธรรมะที่จะแสดงให้ฟังไปดูลำดับคือทุกคนต้องเป็นผู้มีสติเป็นวิในพระพุทธเจ้าทรงตรัสสติวิในโยดาตัปโโบพึ่งทำสติให้แจ้ง การที่เราจะเป็นผู้ไม่ทำบาปเป็นผู้ไม่ล่วงที่ขาบทวินนยน้อยใหญ่ทั้งหลายก็พอมีสติรละลึกได้ก่อนจะทำอะไรพูดอะไรนึกได้ว่าไม่ผิดวินยัยก็จึงค่อยทำค่อยพูดถ้านึกล่วงหน้าโดยเห็นว่าผิด ผิดวินัยเช่นนี้ก็ไม่ทำไม่พูดเพราะคนเราไม่มีวินัยมันจึงค่อยประพฤติผิดบ้างถูกบ้างไปตามอำนาจของอารมณ์ถ้ารู้จักวินัยคือความผิดแล้วอย่างนี้เราก็ประกอบมีสติติดตามด้วย เช่นนี้แล้วความประพฤติทางกายทางวาจามันก็เป็นปกติสม่ำเสมอไปเรียกว่าไม่ผิดไ ม, ไม่ผิดธรรมไม่ผิดที่ในแม้ว่าผู้ใดจะเรียนรู้มากเท่าไรก็ตามถ้าหากว่าขาดสติสมบัจญญนะตามรักษาแล้ว ความรู้อันนั้นก็ช่วยไม่ได้อืม ม, นน ม, ม, ม, อมันนึกไม่ได้เนี่ยถึงแม่รู้อยู่ก็ตามมันนึกไม่ได้เมื่อสติมันอ่อนแอหน้ามันนึกไม่ได้เหตุนั้นกระชงพากันตั้ง อ, อกตั้งใจเพิกสติธรรมะจัญญะนี่ให้แก่กล้าเสมอเสมอ แล้วก็พากันตั้งใจเรียนศึกษาจำให้ได้ในพระวินัยนี่จะ อ, อย่าพากันเมือนเขยเพราะว่าเราได้บวชเข้ามาอุทิศชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเช่นนี้เนี่ยก็สมควรที่เราจะต้อง กระพฤตตนชำระ ก, กายวาจาใจทงนให้สะอาดหมดจดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอันเป็นอุบายกำจัดกิเลสตัณหาไว้อันผู้ค้นหาธรรมะอิในเครื่องดับกิเลสละกองทุกข์คนแรกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นแสนยากแสนลำบาก ก็จะรู้แจ้งของจริงทำของจริงคือมรรคผลนิพพานได้ตามประวัติก็อดนอนผ่อนอาหารสู้ผอมยังใจหนังตีกระดูกนู่นก็จึงก็จึงรู้หนทางตัดรู้สัมมาสมาัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้แล้ว มาเปิดเผยความจริงเหล่านั้นให้ผู้สนใจสดับรับฟังก็ได้เข้าใจง่ายเช่นอย่างว่าทรงแสดงถึงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์ขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งสี่อย่างนี้นะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริง จริงทั้งฝ่ายดีจริงทั้งฝ่ายชั่วหมายเขาว่าอย่างนั้นอืมจริงทั้งฝ่ายดีคือมรรคกับนิโรธคือความดับทุกข์ผู้ใดละทัญหาได้แล้วก็ดับทุกข์ทางใจได้จริงจริงอย่างนี้นะการที่จะดับทัญหาได้นั้นก็ต้องภาคเพียนพยายามทำข้อว่าปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็ดับตัญหาไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้อันนี้ทางฝ่ายไม่ดีหรือว่าฝ่ายเป็นไปเพื่อทุกข์ก็คือตันหาตัญหากับกองทุกข์นี่จัดเป็นฝ่ายไม่ดีอันนี้นะเหตุชั่วอันนี้นะ พบพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นแล้วให้กำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงนี่อย่างนี้ละตัณหาความที่เย่อทยานอยากโดยกับกาาต่างๆนี่ให้น้อยเบาวางออกไปจากกิจใจที่นี่การปฏิบัติตามพระวินัยนะมันก็เป็นเครื่องบรรเทาตัณหาได้ ส่วนหนึ่งเรียกว่าตัณหาส่วนหยาบๆย่อมบรรเทาได้ด้วยการปฏิบัติตามพระวินัยให้พากันเข้าใจไยเบียบพวินัยวางไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าบัญญับไปอย่างไรพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเราบวชมาแล้วอย่าเมินเฉยนะผู้ดใดเมินเฉยแล้ว ไม่รู้วินัยมันก็ล่วงวินัยได้ร่วงวินัยแล้วก็เป็นบาปเป็นโทษแล้ว ก, การบวชเขาไม่มีผลดีอะไรอมีแต่ผลเสียถ้าไม่สำรวมในวินัยแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่โยแปลว่านําเสียซึ่งความชั่วให้หมดไปนี่นะให้พากันเข้าใจคําว่าวินัยคำนี้นะก็ นำเสียซึ่งความชั่วได้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าทำอย่างนี้มันผิดแล้วอย่างนี้เราก็รู้ตามที่พระองค์แสดงไว้บัญญัติไว้แล้วก็ไม่ทำไม่พูดในเรื่องเช่นนั้นความชั่วอย่างนั้นก็ไม่บังเกิดขึ้นในกายวาจาใจเหตุนั้นถึงว่าวินัย น, ะนเสียซึ่งความชั่ว ดังนั้นอย่าพาการพอถอยในการเรียนทรรมเรียนวิในต้องให้สนใจต้องให้พอใจจริงๆเพราะเรามีบุญถึงได้มาบวชถ้าบุญไม่หลายไม่ได้มาบวชนะดังนั้นบุญชักจูงให้เขามาบวชเป็นปฐมแล้ว เท่านั้นก็ยังเกบริสุทธิ์พดผ่องไปเลยมันยังไม่ได้อืรพอจะได้บวชเป็นพระโดยถูกต้องตามธรรมตามวินัยเท่านั้นแต่ที่จะเป็นพระโดยคุณธรรมจริงๆมันก็ต้องเคารพต่อวินยัยคนอื่นเลยสำรวมในวินยัยไม่ล่วงวินัยทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคน อ, อยู่คนเดียวก็ต้องสมรวมใช่ มั่นเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็ล่วงวินัยได้อย่างเช่นอาบัตทั้งขาที่เสดนั่นนะต้องให้ใส่ใจให้มากเลยไม่ไม่ใส่ใจไม่ระวังรักษามันก็ล่วงวินัยได้อยู่คนเดียวหรือว่าใครไม่เห็นลรวคงไม่เป็นโทษไม่ใช่อย่างนั้นนีใครไม่เห็นก็เป็นโทษเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมไว้แล้ว เป็นงั้นเมื่อตอนเองปกปิดไว้อย่างนี้นะบาปนั่นมันก็หมกมุ่นอยู่ในใจนะั่นไม่ถอนออกไปเลยเป็นอางนั้นธรามเาด้ปฏิบัติตามระเบียบที่พระองค์เจ้าทงวางไว้เนี่ยว่าให้อยู่กรัรมอันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าพลั้งพลาดไปแล้วรู้ตัวแล้ว ก็รีบแสดงตอบหมู่ต่อคณะแล้วก็ขออยู่กรรมให้หมดบาปหุดเวียนไปอย่างนี้แล้วก็มันยังจะมีหนทางทำตนให้บริสุทธิ์พุทธ่องได้ดีกว่าปกปิดไว้แล้วสะสมแต่บาปกรรมใส่ตัว การบวชก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษเมันไปอย่างนั้นพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจถ้าผู้ใดยังไม่ได้ล่วงวิในต่างๆนั้ น, น, นก็รีพยายามสำรวมกายวาจาใจของตนให้เข้มงวดเข้าไปเรื่อยๆวิในนี่แหละทำให้พระเป็นพระได้ถ้าไม่เคารพในวิในแล้วเป็นพระไม่ได้เลย เป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยแล้วก็ต้องได้ออกจากหมู่ถ้าหากว่าขืนต้องอาบัติไปเลยแล้วไม่ยอมสารภาพไม่ยอมออกจากอาบัตนั้นจะชื่อว่าเป็นผู้หัวดือ้อเป็นผู้สอนยากอย่างนี้นะสงฆ์ต้องสวดประกาศ ถึงสามครั้งถ้าหาว่ายังไม่ยอมรับผิดก็ปรับเป็นอาบัตสังฆาทิเศษต้องได้อยู่กรรมถ้าไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบเหนี้สงฆ์ก็ต้องมีสิทธิ์ไล่หนีออกจา ก, กวัดก็เป็นอย่างนั้นระเบียบพระวินัยนี่นะขอให้เข้าใจดังนั้นการที่บุคคลจะละบาปละกรรมได้นี่ต้องเห็นบาป ต้องเห็นว่าโอ้ตอนนี้ได้รุมหลงทำอย่างนั้นเป็นบาปจริงเมื่อเป็นบาปแล้ววันนี้ก็ร้อนใจกลัว บ, บาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เช่นนี้นะแล้วก็จะไปยอมสารภาพตามระเบียบพระวินัยที่วางไว้อย่างว่านั่นนยะขอทำละตนให้บริสุทธิ์ปลดจดในถ้มกลางสงขอแบบทรมานตนฝึกตน ต่อไปจะไม่ทำอย่างนั้นอีกให้สงได้รับรู้ด้วยต่อจากนั้นก็ฝึกตนทรมานตนไปขอครบกำหนดแล้วก็ขออภารต่อสงยี่สิบลูกก็เป็นอนุพันโทษนั่นไปได้แต่อวบรประชิกแล้วยอมไม่มีทางม้แต่ออกจากเพศ วันประชิดเท่านี้เองไปเป็นคลือหัดทำมาหาเลี้ยงตัวเองไปทำบุญกุศลไปกอบอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเท่านั้นเองอาจาได้ปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลในชาตินี้ไม่มีทางเลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวิไนนี้จึงชื่อว่าทำพระให้เป็นพระทำเนนให้เป็นเนนได้จริง ผู้เป็นอุวาสกวาสิกาคุณสมบัติของอุวาสกวาสิกาก็เป็นผู้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกแล้วก็สมทานมั่นในศิกขาบทาประการแล้วก็คล้อมท้งปฏิบัติตามกุศลกรรมบท1ิบด้วย อย่างนั้ น, นกุศลกรรมบห1ิก็มันตัวต่างจากศีลห้าประการ น, นั้นอยู่บ้างอยู่ที่ว่ากายกรรมสามเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจีกรรมสี่เว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ นี่แหละที่มันต่างเก่ยวกัสินห้าออกไปเกี่ยวกับวาจาคาพูดส่วนสินห้านั้นมีแต่พูดเท็จกล่าวถึงในเรื่องพูดเท็จอย่างเดียวอืมส่วนกรรมบุตรติปนี่กล่าวถึงวาจาพูดสอเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกเล่าสาวภาร์กันก็มีโทษพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันด่าโคตรด่าวงอะไรตัวอะไรกัน ก็มีโทษอย่างนั้นพูดเพ้เอเจ้อเล้วไหลพูดโดยไม่มีสถานีคิดได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นผิดถูกไม่รับผิดชอบดูนี่มันก็เป็นอกุศลอะอกุศลเกิดขึ้นทางวาจาเป็นงนั้นสวนมโนกรรมอ่านั่นแหละมันต่างจากหินหน้าไปเรื่องเขียวมโนมโนกรรม มโนกรรมสามอะโลกเพ่งเรงอยากได้สมบัติผู้หนาเป็นของชนพยายาบาทปกองไร้ผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคองทำเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีสวรรค์ น, นิพพานนรกไม่มีไอ้อย่างนี้ท้านเร็วมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปจากคำนองครองทำคำสอนของพระ เ, เจ้า ก็เพิ่งสนใจกันไว้เรื่องกุศลกรรมบทชสิบอ ก, กุศลกรรมบทชสิบมันก็กลงกันข้ามนั่นเองเนี่ยกลงกันข้ามเนี่ยก็ให้คอยเข้าใจความไม่โลภอยากได้สมบัติผู้นั้นเป็นของโจรความไม่โกรธไม่พยาบาทจองล่านผ่านใครมีเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมอยู่ในใจความไม่ เห็นผิดเป็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆอย่างนี้นะอะอา น, นี่ทันเดียกวกับความเห็นถูกต้องเห็นอย่างนี้เป็นกุศลอยโดยเห็นไปว่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤตินในกามไม่เป็นโทษเห็นว่ากล่าวเทศกล่าวคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจอ้อเหลวไหลเห ล, ว, ลวไหลเหล่านี้เขาไม่มีโทษอย่างนี้นะนี่หลาเรียกว่าเห็นผิด มันเป็นทางบาปอากุศลถ้าเห็นถูกก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นนะเมื่อกล่าเราประพฤติกายวาจาใจไปตามกุศลกรรมบทติปนี้เสมอแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดให้ตนอยู่เสมอมันเป็นอย่างนั้นแล้วสินห้าก็ย่อมบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไม่ดางไม่พร้อยมเป็นอย่างนั้น เพราะว่าผู้ที่ล่าความโลภได้แล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่เพ่งเลงไปเดียเดเตียนบุคคลอื่นตัดอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือผู้กําจัดความโกรธก็ไม่บาดออกแก่กใจออกไปได้อย่างนีนะ้มันก็ไม่ไปเที่ยวประหัดประหารใครอืมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ เราผู้ปฏิพฤติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ขอให้พึ่งเข้าใจว่าทำของบรรปะชิตทำของครือหัดส่วนกุศลขมวดสิบหรืออกุศลกขมวดสิบนี่มันทั้งของครือหัดทั้งบรญปะชิตจะต้องปฏิบัติตามทัางนั้นเลยอ่ามันเป็นงั้นไอผู้ใดลูกอำนาจแกความโกรธ อย่างระงับความโกรธไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ผิดในกุศลกรรมบทสิบลาอเองในในมโนกรร ม, ม น, นะโลภอยากได้ของเขาพยายาทบโกรธเครืองอคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องว่าแต่วินัยนะกายวาจาใจนี่ บุญกุศลตกแต่งให้แล้วให้พากัรทานุถนอมเอาอืมมั น, นบุญกุศลตกแต่งมาจริงแต่ชาติก่อนเราก็ทําดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมาเพราะฉะนั้นกรรมดีอันนั้นมันจึงตกแต่งให้มีกายวาจาใจสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ให้เข้าใจ ถ้หาหากว่ามีกรรมไม่ดีติดตัวมามันก็มีโรคภัยเบียดเบียนเอาถ้าโรคภัยอันนั้นมันไม่ร้ายแรงรักษาไปหรือสมบูรณแห่งกรรมอันนั้นไปมันก็หายไปได้อถ้ากรรมเวรมันร้ายแรงจริงมันก็ย่อมให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นตายแล้วจริงแล้วอืมันเป็นอย่างนั้น แต่การที่เรามีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยสมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอากุศลกุณงามความดีทุกอย่างได้เลยคอยเข้าใจทั้งนี้และทั้งนั้นทุกคนต้องทำเราเองใครไม่ทำไม่ได้เลย กิเลสอยู่ในหัวใจนี่ก็เหมือนกันนะถ้าผูใ้ใดไม่เพียรชำระมันมันก็ไม่หมดไปจากผู้นั้นแม้จะฟังทำสักกี่ครั้งกี่หนกิเลสมันก็ไม่ได้หมดไปถ้าหากว่ไม่กระทําอุบายแยบภายในใจหากไม่ขณะที่ฟังทำอยู่หากกระทําในใจโดยอุบายแยบภายโดยพร้อม ว่าท่านกล่าวถึงเรื่องบาปอากุศลเรามีบาปอากุศลอะไรอยู่ในใจรู้ตัวแล้วก็กำหนดอธิษฐานละทันทีเลยอย่างนี้แล้วมันก็ได้ได้ได้ผลแหละการฟังทำนะอะ่มันเนางนั้นถ้าฟังไปเฉยเฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านอธิบายอะไรให้ท่านให้ละอะไรท่านให้ทาความดียังไงก็ไม่รู้ อย่างนี้เราไม่ได้ผลการฟังธรรมแบบนั้นนะอืมัะนั้นต้องเข้าใจออันนี้แหละที่ขั้งพุทธการท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกจบลงแล้วได้บรรลุมรรคผลธัรมวิเศษนี่ก็เพราะเหตุว่าท่านมีอวัยเยาว์ภายาในใจอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยเขอพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งนี้ควรละทักง ท่านก็อธิษฐานใจละทันทีเลยอย่างงี้นะกําหนดละเลยสิ่งนี้ควรกระทําบําเพ็ญได้เกิดให้มีอืย่างเช่นเมตตากรุณาอย่างงี้นะควรบำเพ็ญได้เกิดให้มีเพราะเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเพื่อกระทาใจให้ประกอบไปได้วเมตตากรุณาในทันทีเลยอย่างงี้นะอันนี้นะ ทรงสอนว่าควรจะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นธาตุสี่ขันธานี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตอนอย่างนี้ท่านผู้มีปัญญามีบุญวาสนาก็ย่อมรู้ได้ทันทีอึง้งธาตุสี่ขันธานี้มัน มันไม่ใช่ของเราจริงจังถ้าเป็นของเราก็ต้องบังคับได้เราจะมาหลงถือมั่นอยู่ทำไ ม, มเพื่อเพื่อนตัวเองสอนตัวเองได้อย่างนี้นะมันก็ปรงมันก็วางลงนั่นเองบางท่านก็เลยวางความยึดถือนี่ขาดเด็ดไปเป็นขั้นขั้นไปก็มีนั่นเอถ้าถ้าละ สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตาปรมาตอันนี้ให้ขาดไปจากสันทานจริงๆก็ได้บรรลุโสดาปติผลเนีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันนึกทบทวนดูกายวาจาใจอันกุศลตกแต่งให้นี้ให้ได้อย่าพากันประมาทเงอนเฉย ผู้ใดไม่ทบทวนดูกายวาจาใจอันนี้มันไม่รู้มันก็ไม่ตื่นตัวกันรึกว่าตนเกิดมาเฉยๆไม่ต้องอาศัยบุญกุศลอะไรมาตกแต่งให้เข้าใจแบบนั้นก็มีนะเรื่องมันนะาะฉะนั้น ให้พึ่งคิดมันพิจารณาบ่อยๆทบทวนบ่อยๆจิงอยู่ก็กายวาใจาใจนี่ถึงแม่ว่ามันจะไม่เที่ยงก็จริงอยู่หรกแต่ว่าบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาอยู่มันก็ยังไม่ให้แตกให้ดับไปก่อนอย่างนี้ น, นั่นแหละแล้วมันก็ยังพอมีกําลังไ้วยพระนั่งสมาธิภาวนา และทำกิจวัตร่างอื่นได้อยูอ่เช่นนี้เมื่อเวลาบุญกุศลยังรักษาอัตภาพร่างกายนี้ไว้อยู่แล้วก็รีบเร่งสิรีบเร่งทำความเพียรเข้าไปสำรวมจิตเข้าไป ม, มีอุบายแยบคลายซ้อนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางแง่ว่านั้นนะเลื่อยไป เช่นนี้นะมันถึงจะกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงอะไรมันถึงจะเบาบางไปจากกิจใจนี้ถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆนั่งภาวนากับ น, นั่งเฉยๆอยู่งั้นมีความรู้สึกเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกอะไรอย่างนี้นี่มันมันก็ได้แต่แค่สมาธิเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ปัญญาดังนั้นเมื่อ ทมใจสงบลงไปได้แล้วต้องหัดคิดหัดพิจารณานี่นะหัดคิดหัดพิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตอชีวิตนี่มันมีอะไรแวงอยู่ในจิตในใจนี่อย่างนี้นะมันมีความจริงมันมีอย่างไรความจริงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละล้วก็พิจารณาดู ให้รู้ให้เข้าใจโดยแจมแจ้งแล้วมันก็จะไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ร่างกายนี้ทุดทรมแตกดับไปเสียเปล่ากลัวร่างกายนี้มันจะแตกดับเราก็สั่งสมบุญกุศลไว้ได้มากสมควรแล้วกันนว่าไม่เสียใจแนะ่ะเวลาความตายมาถึงเข้าเออแล้วก็ทบทวนเออเราก็ได้ รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาแล้วเราก็ได้ภาวนาทำใจสงบมีปัญญาเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่านะ้นะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เสียใจเศร้าโศกอะไรแล้วเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็มั่นใจว่าตายแล้วจะไม่ไปสู่ทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะดังแสดงมา